17. ปรนามิตรกถาว่าด้วยการประนามข้อห8สมัยนั้นพวกสัตวิทวิหาริกไม่ประพฤติชอบในอุปชาทั้งหลายบรรดาภิกษุผู้มากน้อยพากันตําหนิประนามโพนทนาว่าช่นในพวกสัตถ์ทวิหาริกจึงได้ไม่ประพฤติชอบในพระอุปชาทั้งหลายเล่าแล้วจึงนําเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทักทรงสอบถาม ลำดับนั้นพระผู้มีพระภาครับสั่งให้ประชุมสงฆ์เพราะเรื่องนี้เป็นต้นเหตุทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายทราบว่าพวกสัตว์ที่วิหาริกไม่ประพฤติชอบในอุปชาทั้งหลายจริงหรือภิกษุทั้งหลายทูลรับว่าจริงพระพุทธเจ้าข่าพระผู้มีพระภาคทรงตำหนิว่าภิกษุทั้งหลายฉะนพวกสัตว์ที่วิหาริกจึงไม่ประพฤติชอบในอุปชาทั้งหลายเล่าครั้ น, นทรงตำหนิแล้วทรงแสดงธรรมีกถา รับสั่งกับภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายสัตว์ที่วิหาริกจะไม่ประพฤติชอบในอุปชาไม่ได้รูปใดไม่ประพฤติชอบต้องอบัตทุกกด